ันชีวิตนี้มันเป็นอยู่แสนยากคอยพากันภาวนาพิจารณาให้มันเห็นก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังมาอยู่แล้วต้องประครบประงมต้องดูต้องแล่อยู่ประนั้นมันก็ยังไม่เป็นไปตามประสงค์ให้ แล้วประด็นควรยังยังจะมายึดถือว่าเป็นของเราได้อยู่อย่างไรควรพากันไข้ควรให้ดีความสอนของพระพุทธเจ้านะ่ะโดยตรงแ ท, ท้เพื่องค์มีพระประสงค์ให้พุทธบริษัท ได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราตรงนี้เองนะไม่ใช่อื่นไกลนะอืมแต่ก็ไม่ใช่ของเขาด้วยอืมของใครก็ไม่ใช่ทางนั้นในความจริงมันเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแต่จิตดวงนี้เนะ่ยมันไม่ค่อยจะยอมรับคันมีใครมาด่าว่าอะไรนิดหน่อยแล้วมัน ถุนเฉียวขึ้นมาแล้วอันนี้แหละเป็นบ่งบอกถึงความยึดความถือให้เพิ่งเข้าใจเพิ่งตื่นตัวกันอมันก็ดีสิกิเลสมันฟูขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นนะถ้ามันไม่ปรากฏขึ้นมาอย่างนั้นก็คนเราจะสำคัญว่าตนสิ้นกิเลสแล้วอไม่มีกิเลสแล้วอย่างนี้แหละ อันถ้ามันปรากฏมาอย่างนั้นส้ามันไปตามมันเสียอันเห็นว่ามันดีเสียอย่างนี้ส่วนมากนะไปตามมันแล้วเขาด่ามาก็ด่าตอบนี่ก็เรียกว่าไปตามมันแล้วนี่ความเป็นผู้ไม่พิจารณาใครควนร่างกายให้เห็นแจ่มแจ้งอย่างว่านี่นะมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนนะจิตใจตรงนี้นะ ไม่ว่าใครต่อใครเกิดมาในโลกนี้มันก็เกิดมาด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่ว่ามันเกิดมาเองกิเลสเหล่านี้นะเป็นเหตุให้ทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วก็ น, นำดวงขีดนี้มาปฏิสนธิในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาเป็นแดนเกิด ก็กิเลสแหละถ้าหมดกิเลสแล้วก็ไม่ได้มาเข้าท้องคนจิดตดวงนี้อืมให้คิดดูให้ดีแต่คนผู้ไม่รู้นะมันก็ชอบเกิดอิอืมเธอก็อยากเกิดดีเพราแค่เห็นคนเขาร่มรวยมั่งมีสิสุขอยู่ดีกินดีแล้วก็ชอบใจอยากจะเป็นอย่างเขา หาได้คำนึงถึงไม่ว่ารูปนั่นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันจะสวยสุขสมบัติอันนั้นไปนานเท่าใดไม่ได้ทวนกระแสจิตคิดเข้ามาเหตุต่างนั้นมันจึงเกิดตัญหาขึ้นเหยเยอทียนอยากได้ขึ้นมาครับถ้ามีการทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งพี่นาดูอ้าว ความร่วยอันนี้มันก็รวยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่นะไม่ใช่ยังอื่นได้แต่สิ่งเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะให้เราได้ชื่นชมยินดีกับมันอยู่นานเท่าไหร่ไม่ได้ทบทวนอย่างนี้นะเช่นตาอย่างนี้นะมันจะให้เราได้มองเห็นอะไรต่ออะไรอยู่นานเท่าไหร่หูก็เหมือนกันนะ จะให้ได้ยินเสียงอยู่นานเท่าไรเจ้าหมูกจะให้ได้สูดกลิ่นต่างๆอยู่นานเท่าไรลิ้นจะได้รับรสอาหารอร่อยอยู่นานเท่าไรร่างกายทุกส่วนมันจะยืนยงคงอยู่ได้เป็นนานเท่าไรถ้าหากว่าเรามาอ่านดูทบทวนดูร่างกายอันนี้เข้าไปแล้ว มันก็จะเห็นว่ามันไม่ยั่งยืนอะไรอะมันไม่ได้ไปนมนานอะไรเลยอย่างนี้เลยถึงแม้จะผลพืมันบำรุงมันสักเท่าไรเท่าไหรนานปีนานเดือนไปมันก็สํารุดไปสํารุดไปมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดมเมื่อเป็นเช่นนี้นะทําไมยึงมัวมอประมาดอยู่ ผู้ปฏิบัติธรรมเนะี่ยควรจะทบทวนพยยนิจารณาอันผู้ไม่ปฏิบัตินันยกไว้อไม่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องหมือนนี่แร้วจิตใจมันก็มีแต่ไปผูกพันอยู่ครับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ภายนอกนู้นเนี่ยแต่ภายในร่างกายนี่ไม่ได้ทบทวนผู้ปฏิบัติธรรมนะี่ควรจะทบทวนนะ เพราะเราไม่เราสละโลกีญาสุขต่างๆภายนอกนั้นมาแล้วเห็นว่าโลกียสุขนั้นไม่เที่ยงไม่ยังยืนแทรกอยู่ด้วยทุกข์ก็จึงสละมาบวชเรียนในพุทธศาสนาเนี่ยว่าจิตใจของผู้นั้นนะ่ะมัน เลื่อนขั้นขึ้นมาแล้วนะเมื่อมันเลื่อนขั้นขึ้นมาแล้วก็จะให้มันตกลงไปอยู่ขั้นเดิมต้องพยายามรักษาขั้นแห่งจิตใจแห่งความคิดความเห็นอันนี้ไวให้มันเสมอไปเช่นนี้แล้วก็มันก็มีหนทางที่จะหลุดพ้นไปจากกระแสแห่งความวุ่นวายเดือดร้อนต่างๆในโลกอันเนี้ย ค้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เนียพูดสั้นๆะอืมถ้าไม่ทบทวนไม่สอนจิตของตนอย่างว่านี้แนละ้วก็มันก็ยึดถืออยู่วันยังคำ่ำแล้วยึดถือร่างกายนี้่โอเป็นเขาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนว่าสวยว่างามแต่สั่งนานามันก็หลงละเมอไปทั่วหละ เพราะว่าจิตดรงนี้น่ะมันเคยเดินทางนี่มาหลายชาติหลายภพนับไม่ทวนแล้วเกิดขึ้นมาแล้วพบรูปเสียงกลิ่นรถอันสวยสวยงามที่โลกเขาสมมุติป้าสวยงามก็ลลงยินดีปิติอยากได้อยากนีขึ้นมาดี้นลนแสวงหาอันนี้มันเป็นสันชาตยาน ซึ่งเป็นมาตั้งแต่อในกระชาติแล้นะตั้งแต่เป็นสัตว์สิ่งที่ได้ฉานนู่นแหละอืมมันก็อาศัยความยินดียินร้ายอันนี้เนงเป็นเครื่องสัญจรไปในโลกอแล้ววันนี้สิ่งเหล่านี้มันพาสัญจรไปในโลกแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะมันได้ประสบกับความทุกข์หรือความสุขมากกว่ากันน้อยกว่ากันเราต้องเอามาบวกลบคูณหารกันดู ให้มันรู้ชัดในใจอืผู้มีปัญญาแล้วก็จะต้องมองเห็นว่าไอความทุกข์นั่นแหละมันมากกว่าสุขไรยวะนี้เมื่อบวกลบคูณหารกันดูทําไมจังว่ามันความทุกข์มันมากกว่าสุขทุกข์มันมากเพราะเหตุมันไม่ได้สมหวังนี่แหละอืมจิตใจตรงนี้เองเนี่ยมัน คิดว่าอยากจะให้ร่างกายอันนี้มันอยู่ยั่งยืนนานเมื่อใดสมบัติเข้าของอะไรมาก็อยากให้มันเจริญเรื่อยไปไม่อยากให้ไม่อยากให้มันเสื่อมเห็นความมุ่งหวังของดวงจิตนี่ซึ่งมันยึดเอาสัญหาเป็นเครื่องสัญจรไปในโลกและทีสิ่งเหล่านั้นนะมันไม่เป็นไปตามความคิดของจิตใจดังนั้น เมื่อสรุปลงแล้วจึงว่าความเป็นอยู่ในโลกนี้เนะี่ยมันเป็นทุกข์มากกว่าสุขเพราะว่าสรุปสุดท้ายนะมันมีแต่ทุกข์สุขไม่มี อ, อ, อันใดอั น, นกรก็ผิดหวังไปหมดอย่างเช่นร่างกายเมื่อชำรุดทรุดซอมไปมากแล้วอย่างนี้มีสมบัติเป็นกองกองก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย อ, อ, อาหารก็ไม่มีรถมีถาด ล้วประทานก็ได้นิดนิดหน่อยหน่อยนอนก็ไม่ค่อยหลับร่างกายนี่ก็วิบัติเจ็บปวดทุกขเวทนาต่งตางๆนานาสารพัตนี่แหละความแปรผันแห่งชีวิตแห่งร่างกายซึ่งได้ประสบมาแล้วนับชาติไม่ท้วนแล้วให้พากันตื่นตัว มันสมควรจะเบื่อหน่ายได้แล้วถ้าพูกมีปัญญาได้เพ่งพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปมันไม่สมควรที่จะมายึดถือด้วยความยินดียินไรเสียใจเศร้าโศกต่างๆนานาพวกนี้ไม่สมควรเลยอันผู้ผู้เป็นนักบวชนะอืมผู้เป็นนักบวชนี่มันเลื่อนขั้นแล้วจิตใจอย่างเชื่อว่ามาแล้วนะ มันเบื่อทุกในการคลองเรือนนั่นมันถึงได้มาออกบวชอันนี้ก็เรียกว่าจิตใจมันเลื่อนขั้นมาแล้วอยากขั้นที่หนึ่งมาขั้นที่สองอก็แสดงว่าเป็นผู้อยากจะพ้นจากทุกข์ต่างๆทีแรกก็อยากจะพ้นจากทุกในการคลองเรือนเพราะมองดูอันไดก็ไม่มีความสุขอยู่ได้ผู้ครองเรือนทั้งหลายไม่มีเงินจะใช้ก็เป็นทุกข์ ไม่มีข้าวจะกินก็เป็นทุกข์ไม่มีรถจะคกกีก็เป็นทุกข์ชายหนุมไม่มีเมียก็เป็นทุกข์หญิงสาวไม่มีผัวก็เป็นทุกข์นั่นเองเขามียศถาบรรดาศักดิ์ก็อยากมีเขาเมื่อตนดิ้นรนแสวงหาไม่ได้ก็เป็นทุกข์อะไรอะไรเรามันจะให้ความสุขยั่งยืนนะลอง ภาวนาตองสังเกตดูสิเป็นอย่างนั้นแหละราบจ้าต่างๆได้มาแล้วก็พดเสื่อมไปหมดไปสิ้นไปาหาใหม่อีกอาหาหมาแล้วก็หมดไปสิ้นไปการแสวงหาไม่ใช่มันสบายเมื่อไหร่แล้วมีแต่ทุกข์นี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วคนที่ขาดปัญญาแล้วทุกเท่าไหร่มันก็ สู้ทนอยู่นั่นแหละบนพิไร ล, ลำพันธ์ร้องวนคางอยู่นั่นไม่นึกนึกไม่ออกเลยว่าทางพ้นทุกข์ทางอื่นยังจะมีอยู่หรือไม่นออย่างนี้ไม่ได้คิดเลยแต่ว่าไม่ไม่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะ่ะพระองค์สมัยดาสสมบัติอันมโหฬาร ไม่ได้พบกับความทุกข์ความยากลำบากอะไรเลยแต่เล่าวพงมาพิีรนาถึงความแก่ความเจ็บความตายดีสิแบบนีนะ้ถึงแม้จะมีทรัพสมบัติมากมายใคร่ครองเลยเมื่อร่างกายนี่มันสำรุชดชดชมแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหน่อยที่สุดมันก็แตกทำลายพัดผ่ดดา ก, กากันไป ที่มันเป็นมาอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ชาติเดียวเท่านี้เนี่ยพระองค์ย้อนหลังขึ้นแต่ชาติก่อนโน้ตหลังมันก็เป็นแบบนี้อืมชาติใดๆที่ลงแล้วมามันก็เป็นแบบนี้อย่างนี้นะจึงได้คงเบื่อหน่ายนั่นเนี่ยเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็ไม่หินดีกำลัาจะสมบัติอันมาโหรานอย่างว่านั่นเลยอ่าพระบิดาทรงผูกมัด ไม่ให้บุรุษไปเกจือปนอยู่เลยในพระราชาวังของพระติสัธามีแต่สตรีรุวนรุนแต่รูปสวยรูปงามทั้งนั้นเลยห้อมล้อมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อที่จะยึดเหนี่ยวน้ำพระทัยของพระองค์ให้ยินดีในราชาสมบัติเป็นความประสงค์ของพระบิดาอแล้วก็สู้บุญบา ร, รมีของพระองค์ไม่ได้ อพอพระองค์สร้างบา ร, รมีมาจนเต็มแล้วดังนั้นเมื่อถึงบา ร, รมีมาถึงเขาแล้วมันก็บันดาลให้มองเห็นสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรหายความอยากความบาดธนาในหัวใจก็ถึงได้เสด็จหนีออกบูวาสนี่ก็ผู้เป็นนักบวนชะมันพิจารณาประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าบ่อยๆเข้าไปแล้วมันก็ จิตใจมันก็ใหญ่ขึ้นนะ ม, มันจิตใจมันก็กล้าหาญขึ้นไม่วันไหวต่ออำนาจแห่งตันหนาะราคะอะไรเพราะมันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่น่ากําหนัดยินดีนี่บุคคลไม่คำานึงเล่านับถือพระพุทธเจ้าแต่ไม่พิจารณาความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ถือเอาเป็นเครื่องเตือนใจของตัวเองหลือถือนับถือเฉยมันก็ไม่ได้อุบายอะไรเลยไม่ได้ความเบือนายไม่ได้ความสังเวชเป็นอย่างนั้นแต่นั้นทุกคนคอยเข้าใจว่าเราเป็นชาวพุทธนับถือพระศาสนาเราเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ประเสริฐจริง ก็ อ, องค์ได้สร้างบุญบา ร, รมีมานานแสนนานบุญบา ร, รมีของใครที่จะใหญ่ ย, ย, ย, ยิ่งเท่าพระพุทธเจ้าไม่มีเหตุดังนั้นพระองค์จึงสามารถเอาธนะกิเลสตัณหาได้แล้วก็เกิดญาณสิบประการบังเกิดขึ้นในพระทยัยญาณระลึกธาตุผนหลังได้ญาณรู้จักจ ความเกิดความตายความสุขความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายยานรู้ว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปแล้วยานรู้จากสัพพเยยธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอพยากตาธรรมเหล่านี้ท่านเรียกว่าสัพยุตัญญาณยานรู้ว่าราจิตความคิดความนึกของผู้อื่นเรียกว่าราจิตตวิชาญาณ มนีญาณลูกอดีตผลหลังเป็นมายังไงอัติตังสัย ญ, ญาณพระองค์ก็มีพร้อมอนาคตังสัย ญ, ญาณเมื่อเล็งไปทางอนาคตเบื้องหน้ามันจะเป็นไปยังไงยังไงโลกอันนี้เนะ่ยพระองค์ก็รู้แจ้งไปเลยอือย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสามารถโปรดสัตว์โลกได้แม่บุคคลจะเป็นคนดุร้ายสักเท่าไหร่ ถ้าพระองค์พี่นาเห็นมีว่ามีอุปนิสัยวสฒนธรรมีแก่กล้าแล้วอย่างนี้พระองค์ก็ไม่รังเกียจเสด็จไปทรมานเอาแม่นักพระองค์ก็ไปทรมานเอาถ้ามาต้องคลายพยานของพระองค์แล้วอืยักจะแสดงฤทธิ์ยังไงยังไงต่อพระองค์ก็ไม่ละใครผิวเลยเพราะว่าพระบารมีของพระองค์ใหญ่ยิ่งกว่าสรรพสัตว์โลกทั้งหลายอย่างว่านั้นเอง ในที่สุดก็ดยอมยอมต่อพระ อ, องค์เอย่างนั้นอันนี้เราควรจะพากันพิจารณาควรพากันน้องเข้ามาพิจารณาให้เกิดปิติเ อ, อิบอิ่มในใจว่าเราได้ผู้ประเสริฐเป็นที่พึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่า พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของสรรโลกทั้งหลายนะั้นจะยั่งยืนอยู่ตลอดไปในชีวิตนี้เราจึงจะพอใจในเห็นหน้าเห็นตาได้เห็นรูปเห็นร่างอย่างนั้นจึงจะพอใจถ้าผู้ใดคิดจต่เส้นนั้นก็มันก็ห่างไกลจากความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงแล้วรูปนี้จะละเอียดประณีตมันจงสักปัญไดปันใดมันก็มาอย่างยืนอย่างว่ามาแล้วนะั่นะ ไม่ใช่ว่าคนผู้มีบุญน้อยจึงจะมีชีวิตเป็นอยู่ในโลกไม่ได้นานคนมีบุญมากนี่จะมีชีวิตเป็นอยู่ได้นานแสนนานไปไม่ได้หมายอย่างนั้นเพราะว่าอายุนี่มันมีนมขอบเขตสมัยขั้งอุตตมะเจ้านั้นคนมีอายุร้อยปีเป็นอายุไขยอย่างนี้นะนั่นแหละ ผู้ใดจะมีบุญมากสักเท่าใดมาเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นมันก็ไม่เลยร้อยปีไปว่าอย่างมากก็ร้อยี่สิบปีตามตำราเก่าวไว้เท่านั้นเนี่ยแล้วก็หมดอายุไปแต่สำหรับบุญนั่นเหรอบุญที่ท่านสร้างมานั้นจะเป็นพละงกำลังแก่จิตใจให้ต่อสู้กับกิเลสทรมานทั้งหลาย เอาชนะกิเลสสามานทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากระาใยของพระองค์ไม่ใช่ว่าพระบธรมีที่สร้างมานั้นจะมาทําให้พระองค์มีอายุยั่งยืนนานตลอดไปอย่างนี้หาม่ได้เพราะว่าพระองค์มาเกิดในยุคที่คนมีอายุสั้นอายุมันก็ต้องสั้นไปตามยุคตามสมัยเท่านั้นเองแต่บางคนอาจจะเข้าใจว่าอ่า เมื่อพระองค์มีบุญบ้างๆนั่นก็สงคนจะมีอายุยั่งยืนนานไปไม่ใช่หรือก็ก น, น่าสงสัยเหมือนกันนะ่ะคิดดูแง่นี้นะ่ะแต่คิดดูแง่ลึกเข้าไปกว่า น, นั้นอีกไม่เป็นเช่นนั้นแล้ง น, นี้เพราะบารมีที่สร้างมานั้นเพื่อมากาจัดอาชกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากก็ไทยเข้านั่นเองนะ สำหรับอายุอานามนั่นเดี๋ยวเป็นไปตามยุคตามสมัยต้องให้เข้าใจอย่างนั้นถ้ามีใครมาเกิดความสงสัยไทยถามเข้าไปเราก็ชี้แจงให้เขาฟังอย่างว่านี้นะ่ะอืมเช่นอย่างว่าพระพุทธเจ้าวางพระองค์อ่ะเช่นพระพุทธเจ้าวิปัสสีอย่างนี้นะคนในยุคนั้นสมัยนั้นอายุยืนแสนปี เป็นอายุไห้พระองค์เกิดมาในยุคนั้นสมัยนะพระองค์ก็อายุพระชนม า, ายุยืนได้แสนปีเหมือนกันเนะ่ยึงดับขันเข้าสู่พรนิพพานอย่างนี้นะนั่นแหละมันเป็นไปนตามยุคตามสมัยเนะี่ยเรื่องเหล่านี้มันเป็นกฎธรรมดามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราจะไปถือเอาคําว่าอายุสั้นอายุยืน ให้ถือเอาว่าทำอย่างไรเราจึงจะละกิเลสในจิตใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปได้เอาตรงนี้บุญบา ร, รมีที่เราทำมาก็รวบรวมเข้ามาเป็นกำลังใจให้ใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไม่หวนไหวต่ออำนาจแห่งกิเลสที่มันจะมาปุกปั่นให้จิตพุ่งสั้นเลื่อนลอยไปทางๆนานา เนี่ยนี่เราอาศัยนึกน้อมเอาบุญเอาคุณนี่นหะเป็นกำลังใจนี่ไม่ใช่ว่าเราทำบุญกุศลมาหวังจะให้ต่ออายุนามให้ยืดยาวนานไปไม่ให้เจ็บให้ไข้ไม่ให้ล้มให้ตายง่ายอันนอยา่าไปคิดเช่นนั้นมันไม่ถูกตามความเป็นจริง ก็พระพุทธเจ้าก็แสดงไว้แล้วนี่ข้อปฏิบัติที่พระองค์เจ้าสอนให้ปฏิบัติกันเช่นให้ทานอย่างนี้ก็เพื่อขจัดความโลภความตณีออกจากจิตใจรักษาศีลก็เพื่อขจัดความโกรธความพยาบาทบิดเบี้ยงต่างๆออกจากจิตใจภาวนาก็เพื่อระงับความหลงที่มีอยู่ในจิตใจนั้น ให้หมดไปสิ้นไปนี่ไม่ไม่ใช่ทําบุญเพื่อมีอายุยืนยาวนานเพื่อให้มีรูปร่างสวยสดก็งามไม่ใช่อย่างนั้นนี่อันใหนาพาเข้าใจมันชัดๆลงไปรักษาศีล น, นี่ น, นะมันเป็นพื้นฐานของสมาธิ บุคคลผู้ใดมีสินดีแล้วเป็นผู้สำรวมระวังในสินด้วยดีผู้นั้นได้ชื่อว่ากำลังทำฐานที่ตั้งแห่งสมาธิเหมือ น, นอย่างบุคคลจะปลูกบ้านสร้างเรือนอย่างนี้นะี่ยปราบดินตรงนั้นให้เรียบร่บดีๆแล้วก็ทำดินแถวนั้นให้แน่น เขาจะมีรถบดอย่างถนนอย่างนี้นะเขาก็าใช้รถบดรถเหยียบเอาให้แน่นให้มันสุดมันสามารถรับของหนักได้คนโบราณสร้างบ้านสร้างเรือนไม่เป็นอย่างนั้นนี่ขุดลม้มลงไปเพียงแค่ไม่ถึงเม็ดซ้ำแล้วเอาเสาไม้มาปักลงในดินนั่นหอมดินเข้าไว้ันนี้ดินข้างล่างมันยุ่ยมันหลวม เผื่อยกเครื่องเรือนขึ้นไปหนักๆเข้าไปแล้วดินมันกระานน้ำหนักของเสาไม่ไหวมันก็สุดลงไปเท่านั้นมันก็เอียงลงไปเรือนโบราณนะไม่ตั้งกลรงอยู่ได้เลยเพราะว่าฐานของเสาไม่แข็งแรงนั่นสมัยปัจจุบันเขาวิทยาศาสารเจเริญนนะ่ะจะสร้างตึกสร้างอาคารอะไร ถ้ารู้รู้ว่าดินตรงนี้มันหลวมมันยุ่ยมันอ่อนในนี้เขาก็ตอกเข็มลงไปอเข็มไม้ก็มีเข็มซีเมนต์ก็มีตอกลงไปจนว่ามันตอกไปลงโน่นจนถึงดินแข็งโน่นตอกเฉพาะเข็มที่จะรองรับดินเสานั่นนะแล้วบางแห่งเขาก็ตอกไปมดเลยสําหรับรองรับตับคานดิน เช่นนั้นแล้วสร้างตึกกรามขึ้นหลายชั้นมันก็ไม่สุดเพราะว่าสิ่งที่รองรับน้ำหนักของอาคารนั่นแ่ะมันถึงดินแข็งแล้วดินนั่นมันไม่สุดแล้วเป็น อ, อย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยอันเมื่อเรามีทิ้นบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้ก็แสดงว่า พื้นฐานของสมาธิคือดวงจิตนั่นแหละมันพองใสสะอาดไม่มีบาปมาครอบงำเป็นอย่างนั้นอันจิตดวงนี้ถ้าหากว่าละบาปเสียได้แล้วนะมันหนักแน่นอ่ามันพองใสลักษณะของจิตที่บริสุทธิ์จากบาปจากโทษไม่วอกแวกอืานั่นแหละ เพราะว่าบุคคลที่จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปทรัพยวีว่าทุบตีผู้อื่นได้มันก็มาจากจิตวอกแวกนั่นเองนะจิตโกรธจิตสุนเสียวขาดเมตตากรุณาอย่างนี้นะมันจึงสามารถเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นได้นี่เป็นอย่างนั้นถ้าบุคคลตั้งความสัตว์ความจริงลง ว่าจะละเว้นแหละละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเพรนให้ตายตั้งความสัตว์ลงว่าจะละเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแหงขโมยคือถือเอารับหลังไม่เขารู้เขาเห็นจะไม่เอาเลยขึ้นชื่อว่าเป็นของคนอื่นแล้วเราจะไม่ยิบช่วยให้เคลื่อนที่เลยไม่ไม่ ไม่ต้องว่ายิบถวยเอาไปนหละทําไม่เคลื่อนที่ก็ไม่เอาอืถ้ารู้ว่าเป็นของมีเจ้าของหองแหนอยู่แล้วอย่างนี้นะตั้งใจลงว่าอสําหรับผู้กองเรือนแล้วก็จะไปล่วงเกินจะไม่ล่วงเกินสามีภรรยาของคนอื่นที่เขามีเจ้าของขวงแหนอยู่แล้วในทางอืโดยพิจารณาเห็น พอไม่เที่ยงแท้ในนอนของรูปของกายดังที่กล่าวมาแล้วนั้นอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีงี่นะอืตั้งใจลงอย่างนี้เลยอตั้งใจลงข้าวเจ้าจักไม่ยินดียันไล่กับรูปเสียงกินรสเหล่านั้นเลยถ้าตั้งใจแต่มันก็ยังเผลอไปยินดียันไล่อยู่กะมันก็ยังดีกว่าไม่ได้ตั้งใจอะ่ะ <het> เมืเ่อได้ตั้งใจลงอย่างนี้แล้วหากมันเผลอไปมันก็รู้ทัวทัน มันก็ไม่ถึงกับเลยตามเลยมันเผลอไปแล้วอ้อนี่เผลอไปแล้วนะเนี่ยแตั้งใจใหม่ตั้งสติใหม่ก็ต้องปฏิบัติตนอย่างนี้ผู้ที่เห็นทุกเห็นไปในสงสารตั้งใจลงว่าข้าพเจ้าจากไม่พูดโกหกจะพูดแต่ความจริงทำไม่จริงจะไม่พูดเลย แม้จะเกลียดใครทั้งใครก็ตามไม่เอาอไม่โกหกไม่หลอกลวงใครให้จิบไหมายร้อยว่าวยวาจาของตนแม้แต่กล่าววาจาเสียดแทงเฉยๆนี่ก็ไม่เอาคนเรานะถ้ามันระงับความโกรธในใจไม่ได้แล้วไ ม, อออไม่แสดงออกอย่างรุนแรงไม่แสดงออกอย่างรุนแรงก็แสดงออกอย่างอ่อน พูดเหน็บโคดแนมให้ผู้อื่นนันเจ็บอกเจ็บใจไปอย่างโน้นอย่างนี้นี่อันนี้ให้สังเอนระวังกันอะไรมันก็ออกมาจากใจแล้วความชั่วนั้นก็ดีถ้าใจชั่วแล้วมันก็แสดงออกทางกิริยากายวาจานี่แหละคนผู้ลืมตัวมันก็ไม่ได้นึกประทนพูดชั่วทำชั่วอะไรเลย มันเลื่อมจิตมันไม่เห็นจิตตัวเองว่ามันโกรธยังไงมันชุนเชียวยังไงไม่รู้ตัวเอตอนมันถึงได้พูดเท็จต่อใไรกันนะพูดคำหยาบพูดเล้วไรพูดเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจอย่างที่ว่านี่แหละเพราะฉะนั้นให้ระวังคำพูดให้ดีๆก็เห็น คนพูดกันอยู่บ่อยๆว่าอันผู้หญิงเนี่ยชอบพูดเสียบพูดแทงกันและกันอยู่ไว้บ่อยกว่างั้นนี่ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้หรอกคันอยู่ด้วยกันแล้วหนอหนึ่งก็อะไรไม่พอใจต่อกันนักหาเรื่องพูดเสียบแทงกันพูดกันแหนกันแนกระทบกระทั่งกันอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้กับคนรู้ตัวเราผู้ปฏิบัติธรรมนะ ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรรักษาจิตของตัวให้หนักแน่นไว้แม้มันอยากพูดก็ไม่พูดเพราะว่าพูดออกมาแนละ้วมันเป็นวาจาที่ไม่ดีให้ระ ง, งับอารมณ์เหล่านั้นแต่ภายในะจิตใจให้มันดับไปเลยอารมณ์แห่งความไม่พอใจไม่ควรที่จะส่งเสริมมันนี่ เหตุที่เรื่องเรามันจะวุ่นวายต่างๆขึ้นได้เนะี่ยกระเพาะมันลงระ ง, งับอารมณ์ทางจิตใจไม่ได้นี่เองเนะี่ยอย่างคนผู้เดียวนี่นะก่อเรื่องวุ่นวายเกิดคนหมู่มากก็ได้เมื่อมันละ ง, งับอารมณ์ในจิตใจไม่ได้แล้วอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นทุกคนนะ่ะต้องให้ทําใจหนักแน่นไว้ถ้าส่วนหลายมีใจคอหนักแน่นตั้งมั่นอยู่แล้ว ส่วนน้อยมันโวยวายขึ้นมามันก็ไม่หวันไหวตื่นเต้นมันสู้อำนาจ่างความสงบไม่ได้เมื่อส่วนมากสงบอยู่แล้วส่วนน้อยมันกำลังงับไปเองมันนี่แหละการอยู่ร่วมกันเนะ่ะขอให้เข้าใจที่เราจะอยู่ร่วมกันไปได้ ย, ดยืดยาวนานก็เพราะว่าส่วนหลายทำจิตใจให้หนักแน่นตั้งมัน่นอย่าให้วอกแวก คนหลายคนเนี่ยจะให้มีจิตใจเหมือนเหมือนกันหมดนันมันไม่ได้หรอกไม่ได้เพราะว่าบุญบา ร, รมีที่สร้างมาก็มากกูกันน้อยกูกันมันเอาแน่ไม่ได้เลยแล้วก็นิจจริยนิสัยต่างคนต่างก็สะสมมาแต่อดีตชาติของหลังโน่นบางคนก็สะสมความโกรธมาในใจชอบเป็นคนขี้โกรธมาแต่ก่อนโน่น อแต่ชาติก่อนก็ยังละมันไม่ได้มันก็ติดตามมาในชาตินี้เนี่ยถึงแม่บุญกุศลจะคนพนุท้นจะทําบุญกุศลนําบุญกุศลนามาเกิดกิเลสอมันก็ติดตามมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเดิมมาแล้วและน่นจึงว่าบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีเนี่ยมันเจออยู่ด้วยกิเลสบาปธรรมต่างๆนะให้เข้าใจดังนั้นแหละผู้รู้ตัวแล้ว จึงมาปฏิบัติฝึกกายวาจาใจทั้งตนให้อยู่ในระเบียบแห่งศีลที่ภพศาสตราทรงบัญญัติไว้บังคับกายวาจานี้ให้ตรงไปตามศีลแล้วก็บังคับใจนี้ให้สงบตั้งมั่นโดยอำนาจแห่งสมาธินี่มันจึงจะเอาชนะกิเลสที่มันเป็นอุปนิสัยติดตามมาแต่ก่อนนั่นได้ แล้วก็พยายามเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อตนสกัดกัน้นกิเลสเหล่านั้นให้สงบลงไปจิตตั้งมั่นลงไปแล้วก็ใช้ปัญญาบ่หนี้หาอุบายสอนจิตนี่เข้าไปมันเห็นโทษแห่งความโกรธความอิจฉาดิฉ ญ, ญาความไม่พอใจต่างๆนานาบ่ น, นี้มันล้วนแต่เป็นบอกเกิดแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยปัญญาสอนจิตให้ดูให้เห็นอย่างว่านี้แล้ว จิตมันเห็นตามปัญญาแนละ้วมันก็เบื่ออลไรวันนี้นะเบือ่อนายแต่วความโกรธความเกลียดความอิจฉาหรือไงนะความยกโทษติเตียนกันอะรกันต่างๆวันนี้เบื่อไปแล้วมันไม่มีสาระแกนสาระไรมีแต่มีแต่จะเป็นโทษไม่ใช่เป็นประโยชน์อะไรเลยอืมมันก็เบือนะ่อเลยเพราะมันเบือนะ่อแล้วมันก็คลายความยึดความถือเข้าไปความโกรธมันก็เบาลงเบาลงไปอย่างนั้นนะเอ่า อันนี้เรียกว่าจิตใจยังไม่ยั่งถึงปรมา ธ, ธรรมมันก็ต้องแก้กันไปเป็นเปาะเปาะไปซะก่อนถ้าว่าจิตใจยังลงถึงปรมา ธ, ธรรมแล้วก็อย่างที่ว่ามาแล้วแต่เบื้องต้นเนะี่ยอ้าวทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาแม้แต่จิตดวงนี้ก็ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเราอะไรนั่นถึงขั้นปรมา ธ, ธรรมมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะก็มันเป็นความจริงแท้อันนี้เนะี่ยวันนี้นะ แต่เมื่อจิตนี่ยังติดอยู่ในขั้นสมมุติอยู่มันก็ต้องแก้กันแต่ขั้นห ย, ยาบๆนั่นมาฮะนี่มาถึงขั้นละเอียดเข้าไปแล้วว่านี้ไอการลงทุนลงแรงอบรมจิตตัวเองมันก็เบาลงฮะนี่ถึงขั้นละเอียดแล้วนะใช้ปัญญาขั้นละเอียดอบรมตัวเองเข้าไปให้มันถึงความจริงมาหนี้่ใถ้าจิตมันเห็นความจริงเข้าไป เห็นว่าไม่มีไม่มีอะไรเป็นของของตนสักอย่างนับแต่ร่างกายนี้ออกไปอืมเมื่อมันเห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้นะมันก็มันก็ไม่ยึดถืออะไรอ่ะอืมอยู่สักว่าแต่อยู่รู้ก็สักว่าแต่รู้เห็นก็สักว่าแต่เห็นเท่านั้นเองไอ้เรื่องดีเรื่องชั่ว ต, ต่างๆก็สักแต่ว่ามดทางนั้นแหละหาได้เป็นของเราของเขาไม่หาได้เที่ยงยั่งยืนอะไรไม่ อาที้เป็นตัวเป็นตนอะไรไหมนี่เมื่อมันถึงขั้นละเอียดเข้าไปแล้วเฮ้เห็นอย่างนี้แล้วเมื่อเห็นจิตนี่แต่คือคือสภาวะแห่งความรู้อันนี้นะมันก็มีมีตัวมีตนอยู่ที่ไหนไม่มีอะแต่ว่าจิตตรงนี้มันถักมีอนุภาพถ้าหากว่ามันโนไปทางชั่วมันก็มีอนุภาพไปทางชั่วอาศัยร่างกายนี่ ไปเบียดเบียนบางคนอื่นสัตว์อื่นได้ฆ่าคนอื่นได้ทําอะไรตรงไห้ได้ <Yeah. S 2> มันเป็นองนั้นแต่ถ้าฝึกใครมันดีแล้วนี่ยมันมีอนุภาพน้อมไปทางดีแล้วมันก็ใช่กายวาจานี่ทําดีพูดดีไปได้เลยได้บาเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้เจริญรุ่งเรืองไปได้นี่จิตนี้นะมันมันมีอนุภาพอย่างนี้ถึงแม้มันจะไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรก็ตาม มันยังมีอนุภาพอย่างนี้ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้ายึงสอนให้คนเรานั้นจเจริญสมาธิจเจริญสินสมาธิปัญญาให้เกิดมีในจิตใจนี้เราคัดเลือกไอ้สิ่งไม่ดีออ ก, ก, กจากจิตใจนี้ไปอย่าไปยึดถือเอาไว้อืมแล้วเมื่อรวบรวมกุศลความดีต่างๆได้แล้วความชั่วข้างหลังละหมดแล้วอย่างนี้ ไอความดีคือบุญกุศลที่รวบรวมไว้ในใจนั่นนะเมื่อเพ่งเข้าไปนะลมาเข้าไปมันรวมกำลังเข้ามันก็กลายเป็นดวงปัญญาอันวิเศษเนี่นแหละเหมือนอย่างเขากันกองเอาธาตุต่างๆในโลกไปเป็นระเบิดนิวเคลียร์ปรมาณูนั่นหลยไฮโดรเจนเขาว่านั่นแะมีกันเข้าไปยังเหลือได้น้อยแล้วทางมีประสิทธิภาพมาก สามารถทำลายโลกอันนี้ได้ในพริบตาเดียวอย่างนี้เนละอันนี้จิตนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเมื่อรวมกุศลคุณงามความดีเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปแล้วไปเพ่งอยู่ในนี้ลนะคุณกุศลเหล่านี้มันก็หลอมตัวกันเข้ามีประสิทธิภาพสามารถขจัดกิเลสอันดองอยู่ในจิตใจนี้ออกไปได้ เอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะว่าจิตใจนี้เมื่อมันยังไม่มีบุญกุศลเป็นกําลังนะมันก็ยึดเอากิเลสนี่จเป็นเครื่องสั่นจรไปในโลกอย่างที่ว่ามาแล้วนะี่เป็นเช่นนั้นเมื่อสั่งสมบุญคุณทั้งหลายให้บังเกิดขึ้นในตรงจิตนี้เต็มอัตราแล้ววันนี้แสดงว่าบุญกุศลคุณความดีต่างๆมันอยู่ มันมั่งมากกว่ากิเลสเท่าไหล่ก ว, วัา น, นี้นะนั่นแหละเหมือนอย่างน้ํามันมากกว่าไฟอ่ะมันกระดับไฟได้อันนี้เหมือนกันเลยเมื่อบุญพุนนี่มันมีกําลังมากกว่ากิเลสมันก็ขับไล่กิเลสออกจากดวงจิตนี่ให้หมดไปสิ้นไปได้ก็ฉันนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจไม่มีสิ่งใดหรอกจะมากจัดกิเลสตัณหาอันเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์ในจิตใจนี่ ให้ออกไปได้นอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีก็อย่างที่ว่ามานี่แหละบุญกุศลแต่เมื่อยังไม่ได้หลอมหลอกเข้าให้มันละเอียดเข้าไปมันก็ยังไม่มีกําลังที่จะมาขจัดกิเลสออกจากจิตใจนี้ให้หมดสิ้นไปได้อืต่อเมื่อเราได้กันกองได้รวบรวมกันเข้าอ่าขนเงินทานก็นมารวมอยู่ที่จิตขนเงินศิลปก็มารวมอยู่ที่จิตนี่ ผลแหง่งการเจริญปัญญาทั้งหลายก็มารวมอยู่ที่จิตนี้อย่างนี้นะสินสมาธิปัญญานี่ก็มารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าท่านเคยเรียกว่ามัคคสมังคีอตรงนี้แหละวนันนี้มันมีประสิทธิภาพแล้ววันนี้ทาไม่จิตแข้มแข็งกล้าหาญถ้าว่าสิ่งนี้ควรละควละไปได้เลยอย่างนั้นสิ่งนี้ควรปล่อยควรวางก็ปล่อยวางไปได้เมื่อ มักฆะสมุกีนี่มันเกิดขึ้นแล้วมันถ้ามันละแล้วมันละไปเลยไม่กลับไม่อีกแล้วกิเลสอะนะไม่ไม่กลับมาครอบงำจิตใจได้อีกแล้วอ่ามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะนี่แหละคอยพากันเข้าใจการบาเพ็ญข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะล้วนแต่เป็นอุบายกําจัดกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกออกไปจากจิตใจนี่ ทั้งนั้นเลยไม่มีจุดประสงค์อย่างอื่นใดที่พระ อ, องค์เจ้าสอนให้สร้างบุญสร้างคุณชนทำความดีต่างๆจุดประสงค์เดียวดังกล่าวมานี้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้